13. อปปมัญญาวิพังหนึ่งสุตันตภาชนี642อัอปปมัญญาสี่ได้แก่ภิกษุในธรรมินัยนี้คือ 1. มีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองก็เช่นนั้นทิศที่สามทิศที่สี่ก็เช่นนั้น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 ทิศที่สองก็เช่นนั้นทิศที่สามทิศที่สี่ก็เช่นกันทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตสหรคตรด้วยมุติตานภัยบูร์กว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแพไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่สี่ มีจิตทหรคตด้วยอุเบกขาไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองก็เช่นกันทิศที่สามทิศที่สี่ก็เช่นนั้นทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตทหรคตด้วยอุเบกขาอันไพบูร์กว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบากแพ่ไปยังสัตว์โลกทั้งโปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ 1. เมตตาอัปมัญญานิเทศหกรมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นฉนยัยภิกษุมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนคนเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ แล้วพึงรักใครฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นเมตตาเป็นฉไหนความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใครในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาจิตเป็นฉไหนจิตมโนโมานัตถาไทยปันฑาระมโนมนายตนะมนินรีย วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสัมปยุทธ์ ด, ด้วยเมตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยเมตตา644้อยสีิบสคัธิหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือ ทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําทิศเฉียงหรือทิศ ต, ต่างๆ645คําว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป646คําว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดําเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอยู่647คำว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศสองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องตามทิศเฉียงทิศต่างๆก็เช่นนั้น648คำว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกมูเ่เราในที่ทั้งปวง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 ความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตนี้เรียกว่าเมตตาจิตเป็นฉไหนจิตมโนโมานัตเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสรคตเกิดพร้อมระคนสัมปยุต ด, ด้วยเมตตานี้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 คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป652้อ65าคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่ 2. กรุณาอั ป, ปมัญญานิเทศห5 3้ามีจิตสหอรคตด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไฉน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 หกร้อยห้าคำว่าทิศ ท, ที่สองก็เช่นกันอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศ ท, ที่สองทิศ ท, ที่สามทิศ ท, ที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําทิศเฉียงทิศต่างๆก็เช่นนั้น6กร้อ้าบแปดคว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอธิบายว่าคําว่าสัตว์โลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงนี้เป็นคำกล่าวกาหนดเอาสัตว์ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือหาส่วนเหลือไม่ได้659ในคําคำว่ามีจิตสหรคตรด้วยกรุณานั้นกรุณาเป็นไนความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลาย การุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าการุณาจิตเป็นไฉนจิตมโนโมานตเป็นต้นละมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสำปรยุทธ์ด้วยการุณาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยการุณา660ส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 662คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่ 3. มุทิตาอั ป, ปมัญญานิเทศ 663. มีจิตสหรต ด, ด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นฉไนภิกษุมีจิตสหรต ด, ด้วยมุทิตาไปยังสัตว์โลกทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นผู้หนึ่งผู้เป็นที่รักชอบใจแล้วพลอยินดีฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นมุทิตาเป็นไฉไรความพลอยินดีกริยาที่พลอยินดีภาวะที่พลอยินดีในสัตว์ทั้งหลายนี้ เ, นเรียกว่ามุทิตาจิตเป็นไฉไรจิตมโนโมานั์เป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้ เ, นเรียกว่าจิต จิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสัมพยุดด้วยมุทิตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตที่สหรคตด้วยมุทิตา664คำวมทิหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศต่างๆ 6กร้อยหาคำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปหกร้อยหสิบหกคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่หกร้อหสิบเจ็คำว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่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 หาส่วนเหลือไม่ได้6กรในคําว่ามีจิตสหรคตรด้วยมุทิตานั้นมุทิตาเป็นไนความพลอยินดีกริยาที่พลอยินดีภาวะที่พรอยินดีในสัตว์ทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมุตตินี้ชื่อว่ามุทิตาจิตเป็นไนจิตมโนโมานั เป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสัมพยุตธ์ ด, ด้วยมุทิตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคต ด, ด้วยมุทิตา670คําคำว่าไพบูรณ์อธิบายว่าจิตใดไพบูรณ์จิตนั้นกว้างขวางจิตใดกว้างขวางจิตนั้นหาประมาณไม่ได้ จิตใดหาประมาณมิได้จิตนั้นไม่มีเวรจิตใดไม่มีเวรจิตนั้นไม่มีพยาบาทหกร้อยเจ็อ็ดคว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปหกร้อยเจ็ดสิว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่ส อุเบกขาอปมัญญานิเทศหกรมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นฉไหนภิกษูมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนบุคคลเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่ชอบใจก็ไม่ใช่ไม่เป็นที่ชอบใจก็ไม่ใช่แล้วเป็นผู้มีอุเบกขาฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นอุเบกขา เป็นไความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยในสัตว์ทั้งหลายูุ้เบกขาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าูุ้เบกขาจิตเป็นไนจิตมโนโมานตเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคต เกิดพร้อมระคนสัมปยุตธ์ด้วยอุเบกขานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตตหอรคตด้วยอุเบกขา6 7 4คำว่าทิศหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศต่างๆ 675. าคำว่าแผ่ไป อธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไปหกพันร้อ็สิบหกคว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่วาอยู่6กพันร้อยเจว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศที่สองทิศที่สมทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําทิศเฉียง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 จิตนั้นไม่มีเวรจิตใดไม่มีเวรจิตนั้นไม่มีพยาบาทหกร้อยแปดว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป682คําว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่สุตันตภาชนี 2. อ, อัภิธรรมภพาชี 683. อัแปมปมัญญาสี่คือ 1. เมตตาความรักใคร่กรุณาความสงสาร 3. มุทิตาความพอยยินดี 4. อุเบกขาความวางเฉยเมตตากุศลชาณะจตุ ก, กนายหกรยป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 เมตตาเจโตวิมุตตนี้เรียกว่าเมตตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเมตตาภิกษุนในธรรมในนยนี้จเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัด จ, จากก ร, รมและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุทุติยฌานที่สหอรคต ด, ด้วยเมตตาไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่เมตตาเจโตวิมุตตนี้เรียกว่าเมตตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเมตตาพิกษณในธรรมในนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุตัตยธ า, าน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 พิกตุในธรรมินนี้จเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกรม ร, ปป ร, รมบรรลุปธรรมฌานที่สวรคต ด, ด้วยการุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารการุณาเจโตมุตินี้เรียกว่าการุณาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกรุณาการุณาเป็นฉไฉน อิกจูในธรรมในนี้จเจริญ ม, มากเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบาลุธุติยฌานที่สหรกษ์ด้วยกรุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารการุณาเจโตวมุตต์นี้เรียกว่าการุณาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกรุณา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 ชื่อว่าธประยุต์ด้วยการุณาการุณากุศลชานปัญจกนัยหกร้ยปิพิกจุในธรรมินนี้จเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัด จ, จากามบรรลุปรธรรมชานที่สวรคตด้วยการุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารการุณาเจโตมุต นี้เรียกว่าการุณาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตธ์ด้วยกรุณาพิกตุณิธรรมในนัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกรรมและสภาวธรรมที่เป็นอกติสนทั้งหลายแล้วบรรลุทุติยฌานที่สวรรคตด้วยกรุณาไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวสอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตนี้เรียกว่ากรุณาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกรุณาพิกตุในธามินนี้เจริญมาักเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุตติยฌานที่สหรกระ ด, ด้วยกรุณาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตตนี้เรียกว่ากรุณาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกรุณาภิกษุในธรรมในนี้จเจริมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระปิติจางคลายไปบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยกรุณาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุดด้วยกรุณามุทิตากุศลชาณะจตุกในใกันร8ยมุทิตาเป็นฉนหะนพิจษุในธรรมินัยนี้จเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัด จ, จากกราม บรรลุปธรรมชาญที่สรคตรด้วยมุติตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุติตาเจโตวิมุตต์นี้เรียกว่ามุติตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยมุติตามุติตาเป็นไนพิจาุในธรรมินัยนี้จเจริญ ม, มากเพื่อเข้าถึงรูปประพบ พระวิตกวิจาร์สงบประงับไปแล้วบรรลุธุติยฌานที่สอพพคด้วยมุติตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพรอยินดีกิริยาที่พรอยินดีภาวะที่พรอยินดีมุติตาเจโตมุตตานี้เรียกว่ามุติตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุติตามุติตาเป็นไนะ ภิกุในธรรมในนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปีติจางคายไปบรรลุตติยฌานที่สารคตด้วยมุติตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพรอยินดีกิริยาที่พรอยินดีภาวะที่พรอยินดีมุติตาเจโตวิมุตตานี้เรียกว่ามุติตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธด้วยมุติตา มุติตากุตระชาณะปัญจกไน689ภิกจุในธรรมินัยนี้จะเริญมมักเพื่อเข้าถึงรูปภปพสงัด จ, จากกรรมบรลุตปัธรรมชาญที่สวรรคตเรื่อมุติตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุติตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ามุติตา สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตธเดวยมุติตาภิกจุในธรรมในนยนี้จเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภปพสงัดจจาการและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุทุติยฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวชอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดี มุติตาเจโตมุตนี้เรียกว่ามุติตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตธ์ด้วยมุติตาภิกษุในธรรมในนี้จเจริญ ม, มากเพื่อเข้าถึงรูปภปพเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุตติยฌานที่สหรอรคตด้วยมุติตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความปลอยินดีกิริยาที่ปลอยินดีภาวะที่ปลอยินดี มุติตาเจโตวิมุตตนี้เรียกว่ามุติตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุติตาภิกษุในธรรมในนี้จเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปีติจางคลายไปบรรลุจตุตฌานที่สวรรคุด้วยมุติตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดี มุทิตาเจโตมุตนี้เรียกว่ามุทิตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยมุทธ์ด้วยมุทิตาอุเบกขากุศลฌาน6 9รออุเบกขาเป็นไนพิกตุนธรรมินนายนี้จเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะละสุขละทุกข์ได้บรรลุจตุตฌานที่ถอรคตด้วยเบกขาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยอุเบกขาเจโติมุตตนี้เรียกว่าอุเบกขาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขา691อัปปมัญญาสี่คือ1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาเมตตาวิปากชาญ 692บรรดาอปปมัญญาสี่นั้นเมตตาเป็นไฉนภิกษุในธรรมินัยนี้จเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกรมบรลุปัรมชฌานที่สหรอดคดด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเป็นต้นละอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุสงัดจากกรม บารลุปธรรมฌานที่สระคตด้วยเมตตาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้ถังสมรูปปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่เมตตาเจโตวิมุตต์นี้ชื่อว่าเมตตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุทธ์ด้วยเมตตาเมตตาเป็นฉไฉ่ ภิกษในธรรมินนี้จเจริญ ม, มากเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบาลุทุติยฌานที่สอรอดด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสธะเป็นต้นละอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพระวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบาลุทุติยฌานบาลุตติยฌานบาลุปัฏฐมฌาน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 หกรกรุณาเป็นฉไนภิกจุในตามมินไยนี้จเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัด จ, จากกามบาลุปปัธรรมชาญที่สรคต ด, ด้วยกรุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะเป็นต้นละอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกจุสงัดจากกามบาลุปปัธรรมชาญที่สรัรคตด้วยกรุณา ซึ่งเป็นวิบากพราะเดชธรรมได้สางสมรูปปาวจรรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวมุินี้เรียกว่าการุณาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุดด้วย ก, กรุณาการุณาเป็นฉไหน พิกจุในธรรมินัยนี้จเจริญ ม, มากเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจารณ์สงบประงับไปแล้วบรลุทุติยฌานที่สรคตด้วยกรุณาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพระวิตกวิจารณ์สงบประงับไปแล้วบาลุทุติยฌานบาลุตติยฌานบาลุปัธรรมฌานเป็นต้นละ บรลุเจตุธชานที่สัรคดด้วยกรุณาซึ่งเป็นวิบากพระเจด ธ, ธรรมได้สังสมรูปราวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารกรุณาเจโตวมุตตนี้เรียกว่ากรุณาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยกรุณามุติตาวิปากชาญ 694มุทิตาเป็นไฉนะพิกจุในธรรมินัยนี้จเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัด จ, จากกรรมบรรลุปธรรมฌานที่สารคตด้วยมุทิตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะเป็นต้นละอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพิกษุสงัด จ, จากกรรมบรรลุปธรรมฌานที่สารคตด้วยมุติตาซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้สังสมรูปปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพอยินดีกิริยาที่พอยินดีภาวะที่พอยินดีมุติตาเจโตมุตต์นี้เรียกว่ามุติตาสภาปะธรรมที่เหลือที่ว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุติตามุติตาเป็นไนมุติตาในธรรมในนี้จเจริญมาเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้ว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 เพราะได้ทาได้สังสมรูปราวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีมุติตาเจโตมุตินี้เรียกว่ามุติตาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมุติตาอุเปขาวิปากะชาน695อเบาุเบขาเป็นไนะ พิกูในธรรมในนี้จเจริญ ม, มากเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะละสุกระทุกข์ได้บรรลุเจตุตจารที่ส่อรักโทด้วยเบกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัทธะอาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะละสุกระทุกข์ได้เป็นต้นละบรรลุเจตุตจารที่ส่อรักโทษด้วยเบกขาเพราะได้ทำได้ตั้งสมรูปปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละ อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยอุเบกขาเจโตมุตต์นี้เรียกว่าอุเบกขาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมยุญด้วยอุเบกขา696อั ป, อปมัญญาสคือ1เมตตา2การุณา3มุทิตา4อุเบกขา เมตตากริยาฌา 97, น697บรรดาอปามัญญาสี่นั้นเมตตาเป็นฉไนพิกจุในธรรมินัยนี้จเจริญบรูปาวจรฌานที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมเป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสงังฆจากาม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 ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมเป็นเพียงธรำเครื่องอยู่เป็นตุกในปัจจุบันพระวิตริวิจารสงบระงับไปแล้วบรลุทุติยชาญบาลุตติยชาญบาลุปัธมชาญบาลุจตุถชานที่สวรคตด้วยเมตตาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่ เมตตาเจโตวมุตินี้เรียกว่าเมตตาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเมตตา698กรุณาเป็นฉไนเป็นต้นละมุทิตาเป็นฉไนเป็นต้นละอุเบขาเป็นฉไนเป็นต้นละภิกษุในธรรมินัยนี้เจริญรูปาวจรฌานที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรม เป็นเพียง ร, รมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะละสุขละทุกได้บรรลุจตุตจารที่จะรคตด้วยเบเกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยอุเบกขาเจโตมุตนี้เรียกว่าอุเบกขาสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเบกขา อภิธรรมภาชนี